จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไ ม, ม้หารนน้ําให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ําเสมอก็มีควา ม, วามสดชื่นดีและตโตโตัวขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ทิ้งไว้ถูกตาโดยไม่บํารุงรักษาจิตใจเมื่อบํารุงรักษาอยู่โดยสม่ําเสมอก็มีความ โปงใสมีความสงบเยือกเย็น เ, เป็นลำนับลำับไปถ้าขาดการบังลมมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการบังลมงขานระยะใดก็แสดงความอับเฉาขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามัมีแท้หรือภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้ว การบำรุงรักษาอยู่ด้วยจิตกับภาว น, นาโดยสม่งเสมอจิตจึงมีความสมงบเพิ่มเย็นขึ้นเ ล, เล่อยๆเมื่อจิต ม, มีความสงบความสงบกับความป่องใสก็เพิ่มเป็นไปในระยะเดียวกันจิตมีความสงบ เราจะพัฒนาแต่จรองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าออเข้าใจตามความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกำลังว่าวุ่นขุนมัมอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้เรอกทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดไปเป็นผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปได้เรื่อยฉะนั้นท่านจึงสอนให้อุปโภ่อจิตจะได้มีความสมบงบร่มเย็นและผ่งใส มองเห็นเงาของตัวเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ํามีขวากมีน้ํามีสัดอะไรอยู่ภายในน้ําก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ําขุ่น ม, มองลงไปก็ไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นขวากเป็นน้ําเป็นสัดชนิดใดที่อยู่ในน้ํานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจก็เช่นเดียวกัน อะไรที่แฝงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันทั้งๆยู่มันเป็นโทษที่ภายในใจขอ ง, ของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะจิตใจไม่ผปร่งใสพิจารณาไม่เห็นมันต้องอบรมจิตให้มีความโปรงใสแล้วก็เห็นเงาของตัวเงานั้นมัน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 แต่ความเชื่อถือคือความหลงตามตอนนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงไปเสียมันจริงเป็นผลขึ้นมาให้เรานบความเดือดร้อนเวลานี้ครูว า, าจารย์ทั้งหลายที่ขอรพ บ, บูชาเป็นที่ขอรบบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าปล่อยลอลงไปโดยลำดับอุทยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่อตัวเองได้เกี่ยวเขาลุกทานลงคัน สมุดชุดลงไปโดยลําดับลาดาอย่างท่านก้นขาวเป็นต้นเห็นเห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันในเรื่องทานสําคัญถึงถึงเวลามันเพียบแล้วก็เหมือนไม่เคยมีความแข็งแรงเปล่งสัอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนดูก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในยาบดไดก็ เ, เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแ ทุกของท่านผู้เส้นนั้นก็สับจะว่เป็นไปตามธาตุตามขันทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องธาตุเหลืองขันที่แสดงตัวนี่ถึงกับพวกเรานั้นมันคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันที่แสดงออกทิปปุินผิดไปต่างๆอนาคิตก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันมีคนมีการจิตก็มีคนมีการไปด้วยทั้งๆที่จิตก็ดีๆนั่นแหละของวความบันไหว จิตกันเองเนื่องจากสติ ป, ปัญญาไม่ทันท่านจึงสอนให้อารมณ์สติปัญญาให้มีความสามารถแก่กับาให้ทนันกับเหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆที่มีรอบตัวได้แจกระแสดงตัวออกในอาการวิปปิลิษฐ์อย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามในจิตได้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้าจิตไม่รู้เท่าเฉยอย่างเดียว หลงไปตามสิ่งแต่นั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเป็นการกอดทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจแม้ร่างกายจะเป็นทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องตะคว้าอันั้นมาเป็นทุกข์เผาลุ่มตัวเองหากไม่ได้พเป็นานาให้รู้ทันเปิดจิต ถ้ามีสติเป็นเครื่องรับราอยู่โดยสม่ำเสมอไทยที่จะเพิ่เกิดขึ้นก็มีน้อยเพราะเกิดในที่แห่งเดียวกันคือจิตสติก็มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันคือความรับทรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วเกิดขึ้นภายในตัวเอง ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้พิจารณาแล้วแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก่องสงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะติดต่อกันไปเรื่อยๆแม้ความที่ความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความสาคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาเวเหยียดเลยทุกก็ต้องเป็นสายยาเวเหยียด แล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะกรรมทั้งหลายที่ากสังขารากสัญญาที่ปุ่มขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากก็รับทุกข์สติปัญญาไม่มีกรับตั้งแต่ของเจ๊ของทิ้งของใช้ใไมได้ของเป็นพืชเป็นภายนั่นแหละไว้ภายในจิตใจถ้ามีสติปัญญาก็เลือกเส้นออก อันไหนไม่ดีก็เลือกเส้นจับทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปไม่เหนื่อยๆเนื้อแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ำภายนอกไม่ได้สุดด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยด้วยอดด้วยธรรม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 ถ้าอย่างว่าหยุดไปแล้วดีอนี้คนทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องดําเนิน ง, งานต่อไปนีมันหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเขต้องดีภายในก็ต้องดีเช่นทําการทํางานทําไม่ได้มากหยุดก็ดีกว่าถ้าอุตสาพยายามทําไปเรื่อยๆทําไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานที่ผลที่ทําขึ้นไม่ใช่เป็นงานที่เสี่ยงงานจะถิงปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้วทางหน้านจิตาภาวนานก็เช่นเดียวกัน ยากก็ทำง่ายก็ทำเพราะงานที่ควรจะทำเราไม่ทำใครจะทำให้เราเวลาความทุกข์ความลำบากมันเผาผานภายในจิตใจของเราเราทำไมไม่บน่นไม่ไม่เห็นว่ามันยากเวลาเราสั่งสมเหตุของมันจะให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาทำไมเราไม่ถือว่ามันยากแต่เรามาบ่นให้ความทุกข์ด้วยน น, นั่นคือความพอใจ มันไหลไปเลยเหมือนกำน้ามันไหลลงทางต่ํำยากหรือไม่ยากมันก็ไหลมันไปอย่างนั้นเลยไม่ท่ามันยากหรือไม่ยากแเวลาจะฝืนจิตฝืนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราใส่ของเก็บไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ําให้มันไหลขึ้นถู่ที่สูงอะมันลําบากเพราะทวนกระแสการที่จะละความทุกข์ ละสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัดตะวนมันก็ต้องยากมั่งเป็นธรรมด า, าใครๆก็ยากแม้ท่านพูดสำเร็จนักผลนิพพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแ้วเราเองถึงเวลายากก็ต้องอยากแต่ไม่ใช่จะยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางถึงง่ายก็ง่ายเข้าไปยิ่งได้เห็นผลเข้าไปโดยรดัแบบ เมื่อแล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวสูกทุกไม่คำหนึง่งมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการนักศึกษาการเรียนให้เรียนเรื่องท่าเรื่องขันให้ดูเรื่องท่าเรื่องขันที่เกี่ยวข้องกับตนนี้เป็นหลักสาคัญสาหรับนักปฏิบัติทั้งหลายให้ดูอยู่ทุกเวลา พอมันแปรทุกเวลาคำว่านิจจังเป็นนจังอยู่ตลอดกาลคำว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนัตตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาที่เห็นไปตามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจนมีความสำนึถนานหรือช่ำชองพิจารณาหลายครั้งหลายฝนจิตก็เข้าอกเข้าใจนักเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเอง ไม่ใ่แต่พิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วขอแตจะกรอกคุยเอาผทั้องทั้งสี่เหตุไม่ทำพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่เราฝืนเราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่และองค์ละองค์คือท่านได้กากดชือ่อนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาด้วยมาวนแย่ตั้งแต่ท่านอดตายมาด้วยกันทั้งนั้น ถาเอาเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ยังงถ้ตัเป็นงานหนะักถึงทุ่มเคยกําลังกันเลยอย่างเต็มที่เวลานี้ก็ลอยหล่อไปมากแล้วครูบาอาจารย์ผู้เชินร่านก็ดีมีน้อยเต็มที่เราหวังทึ่งท่านท่านเรื่องทานเรื่องคันท่านเขาเป็นอนิจจังเพิ่ท่านได้ทั่คการทั่วเวลาแล้วก็พับภาคจากกันไปดังที่เราเห็น อ, อยู่นี้แล้ว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 การอาศครูอาศัยอาจารย์นั้นเป็นของที่ไม่แน่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพัฒนาจากไปท่านหนึ่งพัฒ น, เนาเราก็พัฒนากท่านจากเราก็จากเพราะโลกอันนิจจังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราไม่คัดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมของท่านมาไปปฏิบัติถนัดตัวเองเอาจริงเอาจังหให้เห็นเหตุเห็ผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายใจิตใจ ชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิศประเสริฐในโลกไม่มีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือกิเลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี่มาตั้งกลับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานสะสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามาหนี้นับกลับนับกันไม่ได้ถ้งว่าเป็นด้านวัตถุแล้วความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นเจ้าอะไรมาเทียบเราในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อน พิเด็ดปัญหาอาสวะก้อนเรากวอนว่ า, เร า, าเราเป็นของเราอะไรแบบนี้มีมากมายกลายกองใหญ่โตมากเราจะมาถากมาถือมาสับมาฟันเพียงหนอนต้องหนให้มันขาดไปนั้นมันก็เป็นไปไมาได้ยิ่งต้องในทุ่มเทกาลังลงอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะจะนีนไทยชนะกันเอาปงนี้ เราเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องท้อถอยต่อการลบ ก, กับกิเลสที่มีอยู่กับตัวของเราคำว่ากิเลสคือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริงในหลักธรรมชาตินั้นต้องแยกด้วยความภาคเทียนโดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากันแยกภาค ธาตกระทาตีเนี่ยธาตุสีนั้นรู้กันเป็นโลกเต็มมูสารแต่ว่าจะจะรู้ถึงใจทาราบซึ้งถึงใจจริง น, นั้นต้องทาราบซึ้งด้วยภาตปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นทัดเจนแล้วก็ซึงไปเองถ้าลงด้ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยเองคือมันถึงใจเมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจการที่จะได้ปล่อยวางอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจต้องพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วซ้ําๆทราบๆจนเป็นที่เข้าใจ เราอยากไปสำคัญว่านี่เราพิจารณาแล้วอันนั้นเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วในคราวนั้นแต่คราวนี้มันก็ยังไม่ได้แล้ ว, วต้องพิจารณาให้มันถึงถึงขั้นแล้วจริงๆถ้าแล้วจริงๆก็ไม่ไม่จําเป็นต้องพิจารณามันเข้าใจหี่ปล่อยวางได้หมดคำว่าธาตุก็ก้อนธาตุอยู่แล้วเขาบอกมันวนิญญาณก็ธาตุเนี่ย สิ่ที่มาสัมผัสก็กธาตุรูกกดธาตุเสียงก็ธาตุธาตุอะไรอะไรมันก็เป็นธาตุกันหมดเออเป็นขันพันตัวของเรานี่กับูกก็เป็นขันเวทนาก็เป็นขันสัญญาก็เป็นขันทั้งขานก็เป็นขันวิญญาณก็เป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นสิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของของเขาเราก็ให้รู้ก็คือผู้รู้นี้ที่จะต้องพิสูจน์พิจารณาให้รู้แจ้งสิ่งอย่างนั้นโดยไม่ไปยึดเอาเหล่านั้นมาว่ามันเป็นตนเป็นของตน จะเป็นภาระหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของหนักแต่พราะอย่างยิ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอยา่าปฏีความหมายให้มากมายว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไรเป็นของเราไปนั่นเป็นเครื่งส่งเสริมกิเลสให้มากมุงขึ้นโดยลำดับแล้วก็ก่อความทุกขให้สกของมากในเมื่อทุกเวทนาไม่ดับยิ่งมีความทุกขทางใจมากมาย เวทนาไม่เกิดขึ้นในธาตุในขันอ่ามันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาพขาะที่ตกคทอดออกมาก็เวทนาแสนสาหัสรอดตายที่ไม่เป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเคยเป็นมาตั้งแต่นู้นแต่ให้มันละทางเดิมเมันละไม่ได้ทางของความทุกข์ในธาตุในขันมันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมานันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะ ยุทนานอกเวทนาไรแต่เพราะอย่างนี้เุทธนาทางร่างกายวิจารณให้เห็นชัดรูปก็เป็นรูปให้เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรมัาจะเศษสันต์ต้นยอละเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าฟ้ามหาปราช์หรือเป็นเขุนมุลนาหรือเป็นอะไรก็แหนะแก่เถอะเหมือนว่าไปตามโลกสมมุติอิยมของโลกเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันนั้นค่ำทีนี้การพิจารณ์ของเราพิจารณ์เห็นความจริงอันนี้นะ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 นีเป็นความจริงเงินแยกมูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนละส่วนในขณะที่ประชุมประหนึ่งหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นก็ดู่ที่เราให้ชื่อให้นามเขาที่มันสืบต่อเนื่องกันอยู่โดยลำดับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาหนี่มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะ่าไปหลงชื่อหลงนามของมันถ้าเห็นวอารวมแล้วสรุปความแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปนะเวทนาที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนา มีทุกเวทนาเป็นต้นเวทนาเป็นเวทนาจะเป็นสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาก็ตามเฉยๆก็ตามมันเป็นเวทนาอันหนึ่งต่างหากของมันเห็นอย่างชัดเจนสองอย่างนี้สําคัญมากยิ่งกว่าสัญญาสังขญญานอีกอย่างนั้นเกิดกดับพร้อมไปทุกระยะะยแต่ทุกเวทนานี้ถึงจะดับมันมันก็มีเวลาช้านานต่างกันเพราอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นให้ จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากหลักความจริงจะเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนานและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกามากมายกลายกองแก่ขีดใจของเราซึ่งเป็นทางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตังต่งสอนไว้ถักติสอนให้พิจารณาให้เห็น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 กําหนดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมแนะดูกายกายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชัดในขณะที่พิจารณานี้ไม่ให้จิตมันโ่งออกไปไหนให้ถือจุดได้จุดนั้นอ่ะเช่นทุกเวทนาเขากาหนดด้วยทุกเวทนาให้เห็นชัดย้อนเข้ามาดูจิตก็ให้กําหนดดูดูความรู้นี้ให้ชัดว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเอาไปเทียบเทียงดูความรู้อันนี้กับเวทนานั้น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 ให้แก่กิจ ด, ด้วยอํานาจแห่งความหลงของกิจชคดเองเป็นผู้เสด็จสรรพันดาวขึ้นมาเหล่าตนเองชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วกิจไม่ใช่ของตายแล้วจะไปตัวตายหาอะไรคำว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบนั่นสลายลงไปเส้นค น, น, นมีชีวิตอยู่นี้พอหมดลให้ยใจเขาเรียวกว่าคนตายนั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุนั้นธาตุนั้นเลยมีแต่แต่ ตายเฉยๆมีแต่รูประาธาตุเฉยๆเวทนาก็ไม่มีแล้วสิงมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายะความจริงมันไม่ได้ตายฉะนั้นจะให้พิจงงารณาดูให้ชัดเราไม่ต้องสร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเสด็จเดนหรือมาจีดขวางทางเดินอ ข, อ ข, อ ข, อของเราเพื่อทำรู้จริงที่จริงด้วยการพิจงงารณามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนให้กําหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นแหละเป็นหิรับปัญญาแยกทุกข์ ขยายทุกออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกเทียบเทียงกันให้ได้ทุกตัดทุกส่วนในขณะที่พิจารณาอยากให้ถือไปไหนอา้าวจิตเดี๋ยวจะตายตามสมงมติอของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่แล้วจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไปบางครั้ให้จิตดับได้อย่างไรพิจารณาดูให้ดู นี่ท่นานจะไปสร้างปัญญาให้เห็นความจริงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ตามในขณะนั้นจะไม่มีอำนาจเข้าม า, บ, าบังคับบัญชาหรือทาปิติให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามนี้แล้วต้องเป็นความจิงด้วยกันแต่ละอย่างละอย่างแ ล, งแล้วไม่กระทบกระเทือนกันกายก็สักแต่ว่ากายตั้งอยู่เฉย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 เรื่องตัวตายไม่ใช่ ท, า, ทางธรรมของพระเจ้าเรื่องก้าหารต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักตัวขาธรรมที่จับไม่ชอบจะให้ดําเนินตามความจริงนี้ตายก็ตายเราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ในตายแต่จะขอให้ให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นอย่างนี้หรือทุกเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกเวทนา ดูเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามควาจริงแล้วทุกเฆษนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นค่าศึกตอผู้ใดหนึ่งเป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติสมัตเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจําตน ไม่ไปค้าเ้าวกับสิ่งใดเมื่อพิจารณายุรอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเขาก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาโดยที่จิตไม่ไปเบ็ดแยกส่วนแดส่วนวุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นชนิดแล้วก็ไม่มีอะไรกับทุกระเทือนกันทุกจะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่กระเทือน ถ, ถึงจิตยิ้มได้ในขณะดที่ทั้งทั้งที่ทุกข์มันเกิด อ, อยู่มากมายนั่นเองจิตใจยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่ง จากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปฆ่าค้ากับเวทนาให้เวทนานั้นเถล่มตัวก็วาสามารถในการพิจารณาทุกเวทนาเอาเวทนานั้นเป็นสนามรบเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูการแยกแยะดูเวทนาอันใดจะ ดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามของจริงก่อนมันมีความเกิดมีความดับเป็นประจําตนของมันอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันถึงไม่จริงเทียวกับธําแล้วเราก็ดูสบายอาจะตายก็ตายที่ตามโลกสมมุติยมว่าตายตายมันเป็นไงเทียบว่าตายมันแตกเอาแตกไปยงานอะไรสลายสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่นะอะไรไม่สลายคือจิต จะสร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเจนขึ้นภายใตัวเองแล้วนันเป็นอย่างนั้นไม่มีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายสิวจิตมีความเจ้งกาสามารถมีอาการพิจารณาเรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวกลัวไปทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทำไม่สอนให้กลัว ความกลิ่ก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความกลิ่จะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความกลิ่นล้ว น, ลวนแล้วแต่การพิจารณานี้ต้องมีความกล้าหาญเพื่อดําเนินเอาแทชนะเข้ามาสู่ตนไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดําเนินมากต้องมีความกล้าหาญหรื อ, ออาจหาญองค์อาจอมไม่คลั่งคึงหวั่นไหวกับสิ่งอะไรทั้งหมด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 เข้าถึงขั้นผลอนสมบูรณ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่ไม่มีปัญหาคือหมดความหมายไปเองแต่ละนี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสําหรับผู้ดําเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุด้วยผลที่ควรกล้านัดเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีทุกเวทนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของหมันอย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีกล้าก็ดีความตายมีเท่ากัน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 ทำร่มเย็นเป็นสุขดูดโดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียงไม่หวั่นไหวไปตามอาการอไอทั้งหมดนี่คือว่าผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้ก็ทนตายพ อ, ท น, อนทนก็น่าจะทนกันตาปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพาดื่มรักษาไปตามธรรมชาติของมันเมื่อ มันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะไปแค่เดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะฝืนมันได้ยังไงต่อยตามความจริงนั่นเลยชื่อว่าต่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตก็ไม่หวัห่นไหวจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ใช้ชนะภายในจิตใจของตนเองเพราะจิตนั้นแพ้กับกิเลสตัณหามาตลอด จนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กำไหนกันในดูตา้าน่าแห่งความชนะของกิเลสหรือเรานอนจมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะคลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักทำเป็นเครื่องว่ากาคตามสิเดศอาศวะซึ่งเคยชนะนํามาตลอดหรือเป็นเจ้าไหนเจ้าใหญ่านายโตในวัฏจกักรบางคับติตใจขงเราให้ไปสู่ที่นั่นที่นึ่งคราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เป็นทายชนะเพราะเอาทายชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความก้เสียนนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐคือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่ที่เดช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 ปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นคว้าในให้เห็นเหตุผลผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอะเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็จิงในปรากนต่างๆมีขันห้าเป็นต้นเนื้อทีเละ จ, จะไหลเข้าไปสู่ภายในจิตนั้นหมดไม่มีทางยึดไม่มีทางเกาะเพราะถูกทําลายที่ผายป่นปีไปด้วยปัญญาแล้วนอกจากนั้นก็เข้าปีต้นในติก ที่ไล่ค้าศึกเข้าไปรวมแล้วกระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลืออ่านถนัดที่เดตายตายที่กงนั้นแหละตายที่กงมันมีอยู่กับใจนั้นแหละมันอาศัยที่นั่นในเสื่อมอํานาจด้ิฉิถาตายตะกตาตายไปที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยนั่นทำยังไงชนะความชนะอันเล่ยชนะที่ตรงนี้ศาสนะรวมรวมแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้ มาสุดวาระสุกท้าในการปฏิบัติศาสนาก็มายุติการลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนของความพ้นทุกข์กันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีอาลัยก็ไม่มีรัฐานทีก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราว นี่ท่านเรียกว่าถึงนิพพานทั้งไปที่นี่เที่ยงแน่และอีกอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความมุร้อนล้วนขันแม้จะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆอย่างดูร ป, ประคันเวทนาสัญญาตั้งขันยานขันมันก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสดงประตามเรื่องของมัน เมตนาสุทุกบั้งที่ปรากฏในขันก็นแสดงประตามเรื่องของมันสัญญาความจาได้ไามลูกก่อนเป็นประตามเรื่องของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันวิญญาณความรับชาตินะเมื่อสิ้นภายนอกเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายสิทมันก็นับชาติและดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยังจิตใจให้ําเลิกเหมือนอย่างแต่ก่อนทอดสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้คำเลิกนั้นได้ทำลายไม่ถูกทําลายแต่หมดแล้วไม่มีอะไรเหลเือะจึงเรียกว่าเป็นขันล้วน นี่คือพูดถึงอนิพานมีในวา่างแข่งขันรุนรุนถึงนิพานทั้งเป็นแต่ จ, จิตที่บริสุทธานไม่ถามละที่อนิพานอยู่ที่ไห น, นจะถามหาอะไรตัวนิพานคืออะไรคำว่าอนิพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่ออนิพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจรินงนั้นเมื่อถึงตัวจรินงนั้นแล้วจะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหารอยที่ไหนอีกไปงุม